ตาตาความเป็นเช่นนั้นเองในหลักธรรมนิยามหรือธรรมนิยามตาจุดที่หนึ่งคืออิทัปปัชยาตาปฏิจจสมุปบาทผู้ศึกษาคงสังเกตเห็นว่าพุทธพจน์ที่ตรัสเริ่มต้นเหมือนกันกับในหลักธรรมนิยามชุดที่เรียกว่าไตรลักษ์คือมีคำสองคำว่าธรรมทิตตาธรรมนิยามตา นำหน้าแต่ตอนลงท้ายแปลกออกไปว่าอิทัปปัจจยตามีคำนําหน้าเพิ่มเข้ามาสามคำคือตาตาอาวิทัตตาอันนัญญาต า, า, ตาซึ่งไม่ปรากฏในหลักไตรลักษณ์ข้อความเต็มตรงนี้ว่าอิติโขภิกเวยาตาตะตาตาตาอวิทัตตาอันนัญญาตา อิทปัปจยตายังวุจติภิกเวปฏิจจะสมุ ป, ปาโทแปลว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นตถาคือตถาตาภาวะที่เป็นเช่นนั้นเป็นอยู่คงอยู่อย่างนั้นความเป็นอวิตถาคืออวิฏฐาตาภาวะที่ไม่เพี้ยนไม่ผันแปรไปจากที่เป็นอย่างนั้น ความเป็นอนัญญธาอนัญญธทตาภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่นคืออิทธปัจจตาดังกล่าวมานี้แหละเรียกว่าปฏิจจะสมุปบาทที่จริงคำเหล่านี้ก็คือคำเน้นยำ้ำหรือสำทับให้หนักแน่นหรือให้ใส่ใจจริงจังนั่นเองแต่บางคำเป็นคำที่กระชับ และให้ความรู้สึกสะดุดเด่นก็มีการยกขึ้นมาเ อ, อ่ยอ้างบ่อยจนคุ้นหรือเป็นที่นิยมอย่างในสามคำนี้คำว่าตาตาได้กลายเป็นคำที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างมากหรือได้ยินค่อนข้างบ่อยและเพราะเหตุที่คำนี้พบเฉพาะที่ตรัสไว้กับอิทัปปจจยตาจึงอาจจะทำให้เข้าใจว่าจำเพาะหมายถึงอิทัปปจยตาปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น เพื่อให้มองกว้างออกไปจึงยกพุทธพจน์ต่อไปนี้มาให้ดูดังนี้ภิกษุทั้งหลายสภาวะสี่อย่างนี้เป็นตถาคือเป็นเช่นนั้นหรือจริงแท้เป็นอวิทธาคือไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาถาคือไม่เป็นอย่างอื่นสภาวะสี่อย่างเป็นชนัยคือสภาวะที่ว่า นิทุกสภาวะที่ว่านิทุกขะสมุทัยสภาวะที่ว่านิทุกขะนิโรธสภาวะที่ว่านิทุกขะนิโรธขามิหนีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงกระทําการประกอบความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนิทุกขะสมุทัยนิทุกขะนิโรธ นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเห็นชัดว่าสภาวะที่เป็นตถาอาวิตถาและอนัญญธถาในพุทธพจน์นี้ก็คือสภาวะที่เรียกกันทั่วไปว่าอริยสัจสีนั่นเองและคำทั้งสามซึ่งมีคำแปลดังว่าแล้วนั้นก็คือคำเสริมความหมายของคำว่าสัจจะนั่นแหละ นอกจากนั้นในคำพีชั้นอัตถกถาดีกาบางทีก็เรียกอริยศา์ว่าตัทธธรรมเช่นเดียวกับที่บางครั้งเรียกว่าสัจธรรมแต่สัจธรรมมิใช่หมายถึงอริยศา์เสมอไปคำที่กล่าวถึงอริยศาสสี่โดยใช้คำว่าตถาอวิตถาอนัญญถาซึ่งมีอีกในพระไตรปิฎก แล้วก็น่ารู้น่าสนใจจะยกมาให้ดูกันบ้างแห่งหนึ่งต่อจากข้างบนนั้นว่าทุกเป็นสัจจะด้วยอัฏถะอันเป็นตถาคือเป็นเช่นนั้นหรือจริงแท้อย่างไรทุกมีความหมายว่าเป็นทุกสี่ความหมายอันเป็นตถาคือเป็นเช่นนั้นหรือจริงแท เป็นอวิตรถาคือไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาถาไม่เป็นไปอย่างอื่นคือทุกมีความหมายว่าเป็นการบีบคั้นหนึ่งความหมายว่าเป็นสังขตะหนึ่งความหมายว่าเป็นภาวะเผ า, าร้อนหนึ่งความหมายว่าเป็นความพันแปร ก, กลับกลายหนึ่งสมุทัยเป็นสัจจะ ด้วยอัตถะอันเป็นตถายอย่างไรสมูทไทมีความหมายว่าเป็นสมูทไทสี่ความหมายอันเป็นตถาเป็นอวิฏฐาเป็นอนัญญาาคือสมูทไทมีความหมายว่าเป็นที่รวมตัวก่อขึ้นหนึ่งความหมายว่าเป็นเหตุคือแหล่งที่มาหรือนิทานหนึ่งความหมายว่าประกบประกอบผูกไว้หนึ่ง ความหมายว่าหน่วงเหนียวพัวพันหนึ่งนิโรธเป็นสัตวจะด้วยอัฏถะอันเป็นตถาอย่างไรนิโรธมีความหมายว่าเป็นนิโรธสีความหมายอันเป็นตถาเป็นอวิตฐาเป็นอนัญญาถาคือความหมายว่าเป็นที่พ้นโลง่งคือเป็นอิสระหนึ่ง ความหมายว่าเป็นภาวะปลอดสงัดไร้สิ่งรบกวนหนึ่งความหมายว่าเป็นอสังขตาหนึ่งความหมายว่าเป็นอมตะหนึ่งมรรคเป็นสัจจะโดยอัฏฐะอันเป็นตถาอย่างไรมรรคมีความหมายว่าเป็นมรรคสี่ความหมายอันเป็นตถาเป็นอวิตถาเป็นอนัญญาถา คือความหมายว่าเป็นเครื่องนาออกไปหนึ่งความหมายว่าเป็นเหตุหนึ่งความหมายว่าเป็นการมองเห็นหนึ่งความหมายว่าเป็นอธิปไตยหนึ่งขอจบด้วยข้อความสรุปอริยสัจ4ต่อไปนี้ซึ่งเป็นคำตอบต่อคำถามหลายอย่างพร้อมไปในตัวว่า สัจจสี่มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวโดยอาการเท่าไรสัจจสี่มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวโดยอาการสี่คือโดยอัฏฐะที่เป็นตถาหนึง่งโดยอัฏฐะที่เป็นอนัตตาหนึง่งโดยอัฏฐะที่เป็นสัจจหนึง่งโดยอัฏฐะที่เป็นปฏิเวทหนึง่ง สัจจะทั้งสี่สังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวด้วยอาการสี่เหล่านี้โดยที่สัจจะอันสังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีภาวะเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณอันเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะทั้งสี่จึงมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ต, ตาตา ก็คือภาวะที่เป็นตถาคําว่าตาแปลว่าภาวะเหมือนกับคําว่าอนิจจตาก็คือภาวะที่เป็นอนิจจาทุกขตาก็คือภาวะที่เป็นทุกขาอนาตตาก็คือภาวะที่เป็นอนัตตาตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสให้สังเกตว่า คำศัพทธรรมะเดิมในภาษาบาลีนั้นท่านมีหลักภาษาที่มาช่วยให้แยกความหมายไว้ค่อนข้างชัดเจนดีแต่เวลานำมาใช้ในภาษาไทยบางทีเราใช้ปนเปนกันแล้วบางทีก็ทำให้เกิดความสับสนในการศึกษาข้อที่สังเกตในที่นี้ก็คือคำว่าตาเนี่แหละจะเห็นว่าคำศัพท์ในจาพวกนิยามนี้มีตาต่อท้ายบ่อย ที่ว่าควรสังเกตไว้ก็เช่นธรรมนิยามตากับธรรมนิยามะหรือธรรมนิยามตัวหลักแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช้คำว่าธรรมนิยามตาซึ่งมีความหมายว่าเป็นภาวะลักษณะอาการหรือความเป็นไปของสภาวะธรรมที่เป็นธรรมนิยามส่วนธรรมนิยาม เป็นคำที่นิยมใช้กันในคำผีชั้นอัธกถาและดีกาเป็นต้นมาซึ่งใช้อย่างลวมสักหน่อยหมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยนั้นๆในปฏิจจสมุปบาทก็ได้หมายถึงธรรมนิยามตาที่เป็นภาวะเป็นลักษณะหรือความเป็นไปของสภาวะธรรมเหล่านั้นก็ได้ ธรรมะทิตตาคือภาวะลักษณะหรือความเป็นไปของสภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยส่วนธรรมะทิติหรือธรรมาทิติหมายถึงภาวะอย่างนั้นก็ได้แต่มักหมายถึงตัวสภาวะธรรมนั้นนั่นเองที่เป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย อนิจจตาทุกขตาอนัตตาก็คือภาวะลักษณะอาการหรือความเป็นไปของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอนิจจาเป็นทุกขาเป็นอนัตตาดังกล่าวมาแล้วเมื่อได้ข้อสังเกตอย่างนี้แล้วจึงขอย้ําให้เข้าใจร่วมกันว่าธรรมานิยามในที่นี้โดยทั่วไป ใช้ในความหมายของธรรมนิยามตาคือเป็นลนะักษณะเป็นอาการที่แสดงความเป็นอยู่เป็นไปของธรรมะหรือของสภาวะนั้นๆไม่ใช่เป็นองค์ธรรมไม่ใช่เป็นตัวสภาวะธรรมนั่นเองดังนั้นธรรมนิยามตาที่ใช้กันสบายๆว่าธรรมนิยามอิทปัปปจยาตาตถตาอนิจตา อนัตตาเป็นต้นจึงไม่ใช่เป็นเบญจขันไม่ใช่เป็นนิพพานไม่ใช่เป็นสังขารไม่ใช่เป็นสังคตาธรรมไม่ใช่เป็นอสังคตาธรรมเป็นต้น